ออวันนี้จะได้พูดเรื่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรในตอนต่อไปในตอนต่อไปตรงแสดงว่าอริยมรรคมีองค์แปดประการซึ่งเป็นเครื่องทำดวงตาทำยานเครื่องรู้เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้ดีและเป็นไปเพื่อความดับที่พระองค์ได้จัสรุนั้น ก็คือสมามิฐิปัญญาเห็นชอบสมาสังกปะความรับิดชอบสมาวาจาวาจาชอบสมากัมมันตะการงานชอบสมาวายามะสมาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสมาวายามะความพยายามชอบสมาสติความระลึกชอบและสมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบซึ่งอธิบายองค์มรรคแต่ละข้อก็ได้พูดมาแล้วในวันก่อน ต่อจากนั้นก็ทรงแสดงอริยสัจทั้ง4ประการซึ่งเริ่มต้นด้วยคําว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์แล้วก็แสดงเรื่อยไปถึงความโศกความรำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจการต้องการอะไรแล้วไม่ได้ตามความปรารถนาด้วยการต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นทิรัก การต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์และในที่สุดก็มาสรุปด้วยคำว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าเป็นความทุกข์ลักษณะของความทุกข์ในอริยสัจนั้นต้องเข้าใจว่ามีข้อที่แตกต่างกันกับความเป็นทุกขกตาในใจรัก คือความเป็นทุกขตาในไตรลักณนั้นหมายรวมเอาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดคือจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตางแต่ว่าในอริยสัจนั้นเน้นไปที่สิ่งมีชีวิตคือสามารถโศกได้ร่ำไรรำพันได้มีความทุกข์มีความเสียใจยได้ความทุกข์เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มีอยู่สองประเภทยยใหญ่ๆด้วยกันคือทรงใช้คำวัาชาติชรา มรณะที่เรียกว่าเป็นสภาพวัตถุคือทุกขโดยสภาพตือหมายความว่าชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาจะต้องประสบกับสภาพเหล่านี้ส่วนความโศก ค, ความร่ําไรราพันความทุกข์ความเสียใจความคั่งแค้นใจเป็นต้นนั้นเหตุในปัจจุบันก็เกิดขึ้นมาจากอุปาทานคือใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น คนอื่นจะต้องเข้าใจความหมายหรือขอบข่ายของคาว่ทุกเสียก่อนกรรทุกในอริยสัจนั้นท่านแสดงลักษณะเอาไว้เป็น4ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือมีปัจจัยปรุงแตกงคนนี้พึงดูตัวอย่างความเกิดก็เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งที่เป็นภายในภายนอกทั้งที่เป็นรูปธรรมและทั้งที่เป็นนามธรรม ความเกิดในส่วนที่เป็นรูปธรรมคือปัจจัยส่วนที่เป็นรูปธรรมนั้นก็อย่างที่ศึกษาเรียนกันมาในชีววิทยาส่วนที่เป็นนามนธรรมทรงแสดงไว้ในมหาตันหาสังกยสูตรว่ามีองค์ประกอบสำคัญอยู่3ประการคือมีตันหาสิเนหังมีกิเลสซึงเปรียบเหมือนกัอยางเหนียวมีกำมังบีชังมี วิญญาณซึ่งเปรียบเหมือนกับตัวพืชวิญญาณนงบีชังมีวิญญาณเหมือนกับตัวพืชหรือหน่อของพืชแล้วก็มีกำมังเขตตังมีกรรมที่บุคคลทําดีและทําชั่วเปรียบเหมือนกับพื้นดินหรือว่าเนื้อหนาองประกอบทั้งสามประการนี้เวลาทรงแสดงทรงชา้คำโดยสรุปว่าการทัพโผหรือบางครั้งก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณซึ่งหมายถึงว่า เป็นสิ่งที่จะต้องไปอุบัติอุบัติในกำเนิดทั้งสี่คือกำเนิดใดกำเนิดหนึ่งเช่นว่าเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของสุกรกและเกิดโดยโอุปาปาธิกะคือผุดเกิดขึ้นมาพวกความแก่ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือก็เกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยไม่ใช่วันนิ่งๆจะแก่เช่นอาศัยกาละอาศัยองค์ประกอบต่างๆสุขภาพพลานาใหมาซึ่ง สังเกตเห็นได้ว่าคนเราแม้มีอายุเท่ากันแต่ก็แก่ไม่เท่ากันเพราะอไรเพราะว่าไอตัวเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดความแก่มีไม่เท่ากันความตายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยประการที่สองนั้นคือไม่มีอะไรที่รักษาสภาพเดิมมาไม่ได้ความทุกข์บางครั้งท่านแปลว่าทนได้ยากหรือทนอยู่ไม่ได้ ซึ่งหมายความว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ่งเหล่านั้นนี่เราก็ไปจับพินิจพิจารณาได้ไม่ว่าในส่วนของความเกิดความแก่หรือความตายก็ตามตลอดถึงความโศกความร่าไรรําพันธ์ว่ามันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปคือจะเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงลงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและประการที่สก็มีการแผดเผา ก่อให้เกิดความเร่าร้อนซึ่งตรงนี้ก็เน้นไปที่ตัวเวทนาคือทุกเวทนาที่เกิดขึ้นซึ่งบุคคลไม่ต้องการไม่ปรารถนาในความทุกข์เหล่านั้นมีอาการเร่าวร้นอนออมีอาการเบียดเบียนบางทีความทุกข์ก็หมายความว่าเบียดเบียนหรือบางทีใช้คำว่าเคี้ยวกินคือว่าเบียดเบียนความสุขเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็เบียดเบียนความสุข แต่ความสุขเองแกเกิดขึ้นแกก็เบียดเปลี่ยความทุกข์ดังนั้นคำสองคานี้บางครั้งแปลว่าเคี้ยวกินคือสุขก็แปลว่าเคี้ยวกินทุกข์ทุกข์ก็แปลว่าเคี้ยวกินสุขซึ่งหมายความว่าลักษณะทั้งสองอย่างนี้จะเกิดร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันไม่ได้ปะกินอาการทุกข์ทั้งหลายซึ่งส่วนมากแล้วก็จะเกิดมาจากอุปาทานคือจิตที่ไปยึดถือ ความยึดถือโดยหลักของอุปาทานนั้นก็ยึดถืออยู่หลายแนวฉันยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจของตัณหาเห็นได้ว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความโศกความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจส่วนมากจะเกิดขึ้นมาจากความยึดถือว่าเป็นของเราเจ็นว่าบุคคลนั้นเป็นที่รักพลาดไปก็เกิดความโศกเมืโศกมากเข้าก็ร่ำไรรำพัน นักข้าวก็กลายเป็นความทุกข์ความโท่มนัตความเสียใจแล้จนจ น, จนถึงกับความคับแข็งใจหรือบางทีก็เกิดมาจากมานะคือยึดถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่คนนั้นเราไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องจะเกิดต้องเกี่ยวข้องเกิดนั่งร่วมเกิดทํางานร่วมเกิดไปไหนมาไหนร่วมกับคนที่เราไม่พอใจมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่มันก็อยู่ที่ใจซึ่งไปกําหนดเอาเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่า อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโศกนั้นคนไม่ได้ไปกําหนดยึดถืออะไรมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความทุกข์อะไรอย่างสมัยที่อยู่ต่างจังหวัดในเพศเพศการเหตุการณ์หนึ่งมีสองสามีพันยาลูกก็หายไปแล้วก็มีข่าวว่าลูกว่ามีเด็กตกน้ํามีคนไปพบเด็กตกปอเขาพาขาวคลุมไว้สองสามีพันยาพอรู้ข่าวก็ปักใจไปเลยว่าเป็นลูกของตัวเอง วิ่งไปถึงก็ไม่ดูตามาตาเรือโถมลงกอดร้องโ hom ร้องไห้ทั้งสองคนตัวเมียจนผ้าที่ปิดศพมันเปิดออกเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยก็กระซิบอกบอกว่านี่ไม่ใช่ลูกของคุณนะเนี่ยเด็กอืน่นพอสองคนลืมตา ม, มองดูเห็นว่าไม่ใช่ลูกตัวเองเปลี่ยนจากร้องไห้ซึ่งจวนจะขาดใจเนี่ยกลายเป็นหัวเราะได้ในะจนังทีต่างต่นี่เราจะเห็นได้ว่ามันก็อยู่ที่จิตไปยึดเท่านั้นเองบางครั้งก็ยึดถือด้วยอํานาจของ ชิดชีคือความคิดความเห็นที่ปักใจขวางใจลงไปเป็นการกําหนดหมายลงไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเช่นว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องอย่างนี้เท่านั้นดีอย่างนั้นไม่ดีพอไปขัดแย้งกับความเห็นของตนมันก็เกิดความทุกข์ความเสียใจขึ้นมาบางทีก็ยึดถือตามแนวในการประพฤติปฏิบัติที่ท่านเรียกว่าศีลพัตปรามาตหรือศีลพัฒตุ ป, ปาทานคือยึดถือด้วยข้อประพฤติปฏิบัติ คือบางครั้งในความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เกิดเป็นการทะเลาะเกิดความทุกข์ความเสียใจบางครั้งก็มีความแตกแยกกันจะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องของการจับในมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ยึดถือเพียงมุมเดียวยอมรับในมุมเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องที่บาลีทรงใช้คาว่าสัจจังอภินิเวะปัญหาเห่านี้ที่นาไปสู่ความแตกแยก ความทุกข์นานาประการที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งครนี้ได้ทรงยกตัวอย่างเรื่องตาบอดเจคนครามช้างที่ท่านทั้งหลายก็คือได้ยินได้ฟังมาแล้วเป็นพระพุทธดรรรัสที่จัดปราบรเรื่องนี้เป็เรื่องการทะเลาะการวิวาสการทุ่มเฉียงของบุคคลในสมัยนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่ว่าพูดเรื่องเดียวกันแต่ว่าก็ไปเถียงกันไปจับกันคนละมุมแล้วก็ไปยึดไปถือแล้วในที่สุดก็ปฏิเสธ ฝ, ฝ่ายอื่น ซึ่งลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นได้แม้ในหมู่นักปฏิบัติธรรมะเปนักปฏิบัติกรรมฐานเราเองคือบางคนบอกว่าจะต้องสัมมาอะระาหังบางคนจะต้องบอกบอกว่าพูดโทบางคนต้องบอกว่าต้องยุบหนอ่อฟองหนอเป็นต้นและในที่สุดก็มานั่งเถียงกันถึงว่าที่จริงก็เป็นการพูดเรื่องเดียวกันเพราะกรรมฐานก็เป็นเพียงอุบายยบิธีที่จะทําให้ใจสงบเท่านั้นใครใช้อุบายยบิธียังไงสามารถทําใจสงบก็ใช้ไป ก็สํสำคัญว่าให้เป็นสัมมาสติคือความระลึกชอบก็เป็นอันใช้ได้ตัวการสำคัญก็คือการปล่อยการวางที่จะบรรเทาความทุกข์เหล่านี้ลงไปได้ส่วนสมุทยัยคือเหตุเกิดแห่งความทุกข์นั้นจะเห็นได้ว่าความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยตัวการจริงๆมันก็อยู่ที่ที่เหตุความทุกข์เป็นเพียงผลเท่านั้นเอง ถ้าหากวาเหตุคือสมุทัยไม่มีตัวความทุกข์ก็จะไม่มีสมุทายนั้นทรงแสดงลักษณะว่าอยังดุขสมุดยโยอริยสัจจงคือนี้เป็นเหตุเกิดแห่งความทุกข์แล้วก็สงขายความว่าได้แก่อาการของจิตที่มีออสภาพเปลี่ยนแปลงไปสาอย่างเฉพาะในที่นี้ทรงใช้สมอย่างใช้คำว่าโบรโนภวิกา คือที่ก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเจนว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามจนในที่สุดได้มาพอได้มาแล้วก็ไม่หยุดก็ไขว่คว้าต่อไปอาการไขว่คว้าของจิตทรงอุปมาเหมือนกับวานนอนที่วิ่งไปบนต้นไม้คว้าจับกิ่งนี้แล้วก็วางกิ่งนั้นคว้าจับกิ่งนั้นแล้วก็วางกิ่งโ น, น้นก็คว้าจับไปเรื่อยๆ ลักษณะของจิตที่สายไปในอารมณ์ก็เป็นโปโนพวิกาโปโนพวิกาจึงมีอยู่สองชั้นนะครชั้นของอารมณ์ก็หมายความมาไขว่คว้าไปไม่มีที่สิ้นสุดอีกชั้นหนึ่งก็ก่อให้เกิดเป็นพบเป็นชาติหรือก่อให้เกิดความเกิดในกำเนิดนั้นๆพระสงฆ์แสดงไว้ว่าตัณหาชเนติบุริสังตัณหานิธรรมชนให้เกิดพราะการใดที่ยังมีตัณหาการเกิดในสังสารวัฏก็ต้องมีอยู่ร่ำไป ก็ต่อไปทรงใช้คําว่านันดิรากระสาแกตาคือจิตจะสารคตด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆจึงจะเห็นได้ว่าในความกําหนัดแนอารมณ์ต่างๆคือความใคร่ในอารมณ์ต่างๆนี้มันเริ่มก่อให้เกิดความคลื่นบกคลื่นใจความเพลินมาตั้งแต่กําหนดหมายว่าเรื่องนั้นดีในชั้นของการสแสวงหาก็เพลินมีความหวังรออยู่เบื้องหน้า พอได้มาแล้วก็มีการเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นบางครั้งจนถึงก็มีการเฉลิมฉลองกันและมีการยึดการติดซึ่งในจะเห็นจะเห็นได้ว่าเวลาทรงแสดงแนวปฏิจจสมุปบาททรงใช้ว่าเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานลักษณะของจิตในช่วงนี้บางคราวทรงแสดงเป็นรูปของอุปมาอุปมาความเปลี่ยนแปลงในด้านกายกับด้านจิตใจ โดยใช้ตัวงูนะฮะว่างูเวลางูเวลาแกนอนอยู่เนี่ยแกก็ถ้าไอสภาพปกติคือร่างกายยังไม่เกิดหิวโหยขึ้นมาแกก็นอนโดยปกติธรรมดาแต่ถ้าหากว่าเวลาแกเกิดความหิวขึ้นมาเสียดแทงก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางกายเช่นว่าเกิดขยับตัวเพื่อจะไปสแสวงหา อาหารในที่ต่างๆนี้ก็แสดงว่าเป็นแรงของตัณหาจะเริ่มกระตุน้นพอนานข้าวนานข้าวก็ไอไอความหิวมันมากข้าวงูมันก็เริ่มสายสายศีรษะไปแสวงหาอาหารในที่ต่างๆพอเห็นอาหารมันก็จะเพ่งเล็งจ้องไปที่อาหารลาักษณะเหล่านี้บางทีใช้คําว่าอภิชาวิสมนโลภคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้ในสิ่งเหล่านั้น พอเสร็จแล้วก็จะตะครุบเอาอาหารนั้นกัดไว้ในปากของตัวเองก็กลายเป็นอุปาทานคือยึดติดนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตในอารมณ์เดียวกันแต่ว่ามันก็เปลี่ยนเขามันด้วยแล้วในที่สุดก็จะเกิดความเพลินโดยยิ่งคือเพลิดเพลินโดยยิ่งที่เรียกว่าตาตาดาพินันดีคือจะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นโดยทรงจาแนกลักษณะของตัญหาเอาไว้เป็น สามประการด้วยกันเฉพาะในที่นี้นะฮะแต่ว่าปริยายของธรรมะทรงแสดงไว้เป็นอันเนกบางครั้งก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปบางครั้งทรงใช้คำว่าวิสัตติกาคือสั้นไปในอารมณ์ต่างๆบางครั้งก็ใช้คำว่าชับป่าแปลว่าผู้กระซิบกระซาบใจบางครั้งก็ใช้ในลักษณะของเถาวันคือเลื้อยไปเรื่อยคือจับเกาะไปเรื่อ ย, อยส่วนมากจะทรงใช้าคาที่ มองเห็นในเชิงรูปธรรมได้เพราะว่าตัณหานั้นนั้นเป็นนามธรรมถ้าใช้คำมีความหมายทางนามธรรมเกินไปก็มองไม่เห็นแต่ถ้าแสดงออกมาในเชิงรูปธรรมด้วยก็ทำให้คนเห็นภาพชัดเจนขึ้นแต่ว่าตัวตัณหาจริงๆเวลาเราแปลเราแปลว่าอาการทะเยอทะยานอยากได้ในอารมณ์ต่างๆซึ่งอาการดิ้นไปสายไปของจิตเป็นปริมาณความต้องการที่สูงเพิ่มขึ้น ก็แบ่งออกมาเป็นกา ร, รมาตัญหาคือความทะยานอยากได้ในอารมณ์ที่ตนใคร่อารมณ์ที่ตนใคร่เราเรียกว่าวัตถุกามนะฮะแปล ว, ว่าวัตถุเป็นที่ใคร่ของคนเป็นที่ใคร่เป็นที่พอใจของคนซึ่งก็ไม่เกินไปจากวัตถุผคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิัณฑ์ไอคำว่าผลิภัเนี่ย มันเป็นออกจากภาพที่มองไม่ค่อยชัดฮะหมายถึงสิ่งที่เย็นร้อนอ่อนแข็งยืดเหนียวอะไรต่างๆที่เราต้องถูกด้วยมือด้วยเท้านะฮะด้วยอวัยวะต่างๆเราจะรู้สิ่งเหล่านั้นด้วยอวัยวะแต่ว่าบาลีท่นานใช้คําว่าโพวตพะแต่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสพอพ อ, พอฟังแล้วก็เข้าใจพอถึงโพวตาพะแล้วก็ติดตัวตัวบาลีทุกทีได้คือสิ่งที่มันมีลักษณะ จ, จะเย็นก็ได้ร้อนก็ได้แข็งก็ได้อ่อนก็ได้ยืดก็ได้เหนียวก็ได้นุ่มก็ได้ก็แล้วแต่ คือสิ่งที่เราจับต้องเราเรียกว่าผู้ประภะกับธรรมอารมณ์กรรมธรรมอารมณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะว่ากันตามความเป็นจริงก็คืออารมณ์ห้านั่นเองคือรูปเสียงกลิ่นรสผู้ประะที่เราได้เคยเห็นมาเป็นต้นในอดีตแล้วเก็บไว้ภายในใจว่างๆไม่มีอะไรก็นำเรื่องเหล่านั้นมาคิดมาปรุงก็ตามเรื่องที่เรากำหนดเอาไวนะ้เช่นว่าเห็นรูปสวยงามเมื่อวานซืนเนี่ย เสร็จแล้วก็นำรูปสวยงามมาคิดในวันนี้นลักษณะความคิดเนี่ยคือธรรมารมณ์สิ่งที่เรานํามาคิดนั้นเรียกว่าธรรมารมณ์หรือว่าไปได้ฟังเสียงที่ไพเราะมาเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็นํามาคิดถึงเสียงอันไพเราะนั้นไอเสียงที่เรานํามาคิดเนี่ยคือตัวธรมรมารมณ์หมายถึงว่าอารมณ์ที่เก็บไว้ภายในใจแล้วก็เหนียวนึกขึ้นมาคิด กามาตัณหาก็จะสายไปในอารมณ์เหล่านั้นเพราะงั้นจะเห็นได้ว่าไอ้พวกตัณหาเนี่ยไอ้พวกกามเนี่ยมันก็มีอยู่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือเป็นรูปขวัตถุได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลิัณฑ์ดังกล่าวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็คือตัวกิเลส ท, ที่เป็นเหตุที่มันเกิดความไข้เช่นอะไรท่านเรียกแตกต่างกันตามความเข้มข้นนะครับจริงๆมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับตัณหานั่นเอง เช่นว่ารติคือความยินดีนี่ก็ไม่ค่อยจะรุนแรงเท่าไหร่บางทีใช้ความหมายของธรรมะก็ได้เช่นว่าความยินดีในธรรมบางทีก็ใช้คําว่าสันทะแปลว่าความพอใจบางทีใช้คําว่าราคะแปลว่าความกําหนัดอันนี้รุนแรงขึ้นบางทีใช้คําว่าความรักที่เรียกว่าเปรมบางทีใช้คําว่าโลภะความโลภหรือบางครั้งก็ใช้ อวิชาวิสมะโลภะหรือความเร่งเร็งโลภอยากได้ไต้องก็สรุปว่าเป็นเรื่องของกิเลสกรเป็นกลุ่มของการมาตัญหานั่นเองแต่ว่าอาการความเข้มข้นไม่เหมือนกันเพราะงั้นเวลาใช้คาจึงใช้ไม่เหมือนกันคือศาสต์ทางศาสนาถ้าเราเข้าใจตัวสพัพปารีเวลาทรงใช้ไปเราจะเห็นถึงความเคลื่อนไหวของรูป บาลีเหล่านั้นด้วยลักษณะของกิเลสลักษณะอารมณ์ลักษณะของธรรมะว่ามันมีความเข้มข้นเป็นยังไงมีอาการเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยเข้าใจถึงถ้อยคำเขาเรียกว่าเข้าใจโดยอัตตะและพยัญพยัญชนะของคานั้นๆการมภิธหามันก็มีลักษณะดังกล่าวคือลองสังเกตดูว่าจะมีความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไป จิตก็จะพัวพันด้วยอํานาจความกําหนัดความยินดีในอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็จะเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็เพลินอยู่เรืยไปอย่างบางครั้งทรงแสดงออกมาเป็นรูปของขบวนการขาบวนการที่อาจจะก่อมาจากภายนอกหรือออกมาจากภายในก็ตามเจตัวอย่างเช่นว่าพอเห็นรูปก็เกิดพอใจพอใจมันก็เพาะเชื่อความพอใจขึ้นภายในใจ เราจะเห็นว่าเราเห็นรูปคราวแรกถ้ายังไม่ถึงการวินิจฉัยเนี่ยพอใจไม่พอใจจะไม่เกิดขึด้นมันต้องวินิจฉัยแะก่อนว่าดีหรือไม่ดีคือเราจะต้องรู้คุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแะก่อนไม่ใช่วันนี้มันเกิดนะรูปบางอย่างจะไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรแก่เราเลยถ้าเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรลักษณะของความคิดนี้ก็พึงดูตัวอย่างไอ้่องไก่แจ้กับพลอยที่เราเคยเรียนกันมาจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวไก่แจ้เองแกก็ ไม่รู้คุณค่าของปลอยเพราะงั้นพลอยจึงไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นแกใจิตใจข้งไก่แจ้ได้คือไม่ได้อยากได้อะไรหรือว่าไม่ได้ชิงชังอะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันเม็ดข้าวเปลือกซึ่งมีเชื้อความพอใจคือแกเคยกินมาแกพอเห็นเม็ดข้าวเปลือกมันก็เป็นการไปบูกกับเชื้อที่มีอยู่แล้วจะเรียกว่าการมาธาตุคือเชื้อความคลายในสิ่งเหล่านั้นที่มีอยู่แล้วแกก็เกิดพุ่งไปหา แต่ว่าในชั้นความเปลี่ยนแปลงทางจิตนั้นท ร, ทรงแสดงว่ามันเป็นอะไรมันเป็นกามาธาตุคือเชื้อความใคร่และใจก็จะกําหนดว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าน้าพอใจพอกําหนดมากเข้ามันก็จะมีความคิดถึงเรียกว่ากามสังกปะคือดํำริถึงด้วยอํานาจความใคร่พอดํำริถึงมากข้ามมันจะเกิดความพอใจเราเรียกว่ากามาฉันทะพอมีความพอใจสูงขึ้นมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตเป็นความเล่าร้อนเราเรียกว่ากามาปริลา พอเกิดความเร่าร้อนมากข้าวมันก็สายลักษณะเหมือนงูอย่างที่ว่ามาแล้วคือเริ่มสายก็เป็นการมัตรย์ปริยสนาคือสแสวงหาในสิ่งที่ใคร่ายพอแสวงหาก็จะมีการได้มาแต่ถ้าชั้นของการสแสวงหาบางครั้งจิตใจเราไม่ค่อยดีนะคือมันถูกกิเลสมากไปอาการสแสวงหามันก็ออกนอกทางกลายเป็นมิจฉาอจิวะคือการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดออกมาเป็นทุจริตแต่ถ้าพอคุมได้ การแสวงหาก็ยังอยู่ในขอบข่ายที่ถูกต้องอยู่นั่นเองเมื่อมีการได้มาก็มีการยึดถือมีการยึดถือก็มีการหวงแหนมีการหวงแหนก็มีการป้องกันมีการรักคามีการป้องกันมีการรักคาก็มีการต่อสู้เพื่อรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้การยกพวกเข้าตีการการต่อสู้ป้องกันรักษาทรัพย์สมบัติก็เกิดขึ้นกลายเป็นขบวนการที่หมุนกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าในเรื่องอารมณ์อะไรก็ตามนี้ก็เพราะอะไรเพราะปัจจัยสองอย่าง แต่ปัจจัยภายนอกว่าจริงมันไม่สําคัญอะไรรูปเสียงกลิ่นรสหัวใจผ่าเนี่ยมันเป็นตัวกลางเฉยๆคือว่าพระรยบุคคลกับสามัญชนก็มองเห็นเหมือนกันแต่รูปก็รูปเดียวกันเสียงก็เสียงเดียวกันกลิ่นก็กลิ่นเดียวกันแต่ว่าไอ้ตัวกิเลสกามของพระรยบุคคลไม่มีเท่านั้นเองดังนั้นไอ้ลักษณะที่เรียกว่าก่อให้เกิดความมีความเป็นก่อให้เกิดความกำหนัดความเพลิดเพลินหรือยินดียิ่งแหนรวมเหล่านั้นก็ไม่เกิดแก่ภายในใจของพระรยบุคคลเพราะว่า ในตัวกิเลสกรรมซึ่งเป็นตัวเชื่อจริงๆมันไม่มีต่อไปก็เป็นภวะตันหาพราวะตันหานี่พื้นความคิดจริงๆนะฮะตัวเชื่อจริงๆเขาบอกว่ามันเกิดมาจากสัจธรทิฏฐิคือมองเห็นสภาวะอย่างหนึ่งเป็นของเชี่ยงแท้แน่นอนแล้วก็ปรารถนาที่จะไปเกิดในสถานที่เหล่านั้น พราว่าตาหาจึงมุ่งไปในที่ของความการจะต้องบังเกิดในภพในชาติที่เราเข้าใจกันว่าปรีนิดเช่นอะไรต้องการจะไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าหรือว่าในความเชื่อถือของชาวพุทธเราบางพวกก็มีนะฮะต้องการจะไปเกิดในนิพพานที่เป็นเมืองแก้วอยู่กันเป็นเมืองแก้วอย่างนั้นนะคือไม่คิดถึงว่าไอ้แก้วมันไปถูกแสงแดดมันร้อนเราไม่ได้คิดอะไรไม่คิดจะอยู่เมืองแก้วไม่รู้ว่ารูปร่างมันเป็นยังไง แต่ก็อยากจะไปอยู่เมืองแก้วกันคือคิดว่าเป็นชีวิตนิรันดร น, นะนี่เพราะอะไรเพราะมีสัจรทิฏฐิคือเชื่อความเห็นว่ามีสภาวะอย่างหนึ่งทีเที่ยงแท้แน่นอนเราก็พอ ม, มองเห็นว่าชีวิตเรานี่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราก็ไขว้คว้าสภาวะอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนโดยไม่ได้คิดนะเพราะมันมีตัณหาปิดบังกิดเอาไว้ว่าถ้ามันมีการเกิดในลักษณะนั้นจริงไอ้สิ่งที่เกิดเนี่ย มันก็เป็นสังขารฮะและตัวสัตว์จะทำนั้นพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าสบเบสังขารานิจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเพราะฉั้นเมื่อสังขารก็ต้องไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นอนาาัตตาเมันก็เข้าใจรักเหมือนเดิมก็ไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงอะไรคิดไม่เห็นมันดีพิเศษอะไรค้นมาและสะภาวะที่เที่ยงแท้อย่างนั้นเเป็นเรื่องที่เราคิดเราเองโดยไม่นมองอีกชั้นหนึ่งประสมมุติเรามีอยู่จริงและจะอยู่จะอ ย, อยู่กันได้อย่างไง เช่นว่านอนตลอดเวลายืนตลอดเวลาเดินตลอดเวลาเราก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะเป็นสภาพที่มองเห็นกันชัดๆว่ามันขัดแย้งกับความเป็นจริงแต่ก็อาศัยสัจธรทิฏฐิซึ่งเป็นพื้นใจก็ทําให้เกิดฝ่ายความปรารถนาในลักษณะอย่างนั้นอีกประการหนึ่งหมายถึงว่าต้องการความมีความเป็นต้องการเป็นนะฮะต้องการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นก็เห็นใครเป็นที่เราชอบ หมายความาต้องเราชอบนะฮะถึงเราอยากเป็นแล้วก็ปรารถนาความเป็นเหล่านั้นบางครั้งบางคราวความปรารถนาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นอาการของตัณหาเป็นอาการของกิเลสมันมีโมหะคลุมอยู่ตลอดนะฮะกิเลสทั้งหลายเนี่ยแล้วไม่ได้นึกถึงความเหมาะความควรความสามารถที่จะเป็นบางทีคนสา ม, ามัญธรรมดาว่างๆอยากจะเป็นนายกซะเลย นี่เพราะอะไรเพราะราไม่ได้คิดว่านึกว่าเป็นนายกแล้วคงจะใหญ่ตัวคงจะทํางานอะไรได้สบายแต่ไม่ได้นึกถึงว่าคนเป็นนายกจะต้องมีความรู้อะไรอยู่บ้างนี่ไม่ได้คิดอะไรนี่เพราะอะไรเพราะตัวโมหะที่มันเจือปนอยู่แล้วก็แสดงออกมาในรูปทะเยอทะยานอยากจนไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยนี่ก็เป็นอาการของภาวะตัณหาคือต้องการเป็นอีกอยนึนก็เรียกวิวภวะตัณหา คือต้องการไม่มีไม่เป็นพื้นความต้องการเนี่ยคือชิงชังโลกเป็นลักษณะชิงชังโลกชิงชังชีวิตต้องการในมันขาดศูนย์ไปเลยแนวแนวความคิดที่เป็นเหตุให้เกิดแนวนี้ขึ้นมาก็คืออะไรคืออุดเฉด ท, ทิฏฐิคือความเห็นว่ามันมีบางสิ่งที่มันขาดศูนย์ไปและสิ่งอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ต้องการให้ขาดศูนย์ไปเราเองบางทีก็ไม่ต้องการจะเกิดอีกแล้วมันก็เห็นว่าเป็นความทุกข์เหลือเกินคือไม่อยากเกิด นี่เป็นอาการของวิภวะ ต, ตันหาในลักษณะหนึ่งก็คือชิงชังฐานะที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ต้องการเปลี่ยนแปลงนะฮะต้องการเปลี่ยนแปลงให้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าตัวตันหาที่มันเกิดเนี่ยแก่พร้อมที่จะเกิดในอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันนะฮะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปตามสภาพในชั้นแรกสมมุติว่าเราอยากได้อยากได้รถสักคันหนึ่งเนี่ยฮะมันก็เป็นกามตันหาเพราะรถมันก็เป็นรูป แล้วก็อยากเป็นเจ้าของรถมันก็เป็นเป็นภวะตันหาพอใช้ไปนานๆเกิดเบื่อรถคันนี้มันก็กลายเป็นวิภวะตันหาคือต้องการจะให้รถนั้นต้องการขายไปหรือต้องการจะเปลี่ยนรถใหม่มันก็กลายมาเป็นกามตันหาอีกมันก็หมุนกันอยู่อย่างงี้ในลักษณะอารมณ์เดียวกันนี่ยตันหาพร้อมที่จะเกิดขึ้นในอารมณ์เดียวกันแล้วมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพตามสภาพของอารมณ์ที่ใจไปกําหนดด้วยอํานาจของอะไรในขณะ ลักษณะของตันหาบางครั้งจึงทรงอุปมามันก็เถาวันนะฮะเถาวันที่ว่าเลื้อยไปในอารมณ์ต่างๆมันเลื้อยก็มันไปเลื้อยไปแล้วเกาะเกี่ยวรัดสิงนั้นเอาไว้แล้วก็มันเลื้อยต่อแล้วก็รัดไว้แล้วก็เลื้อยต่อแล้วก็รัดไว้เพราะงั้นบางครั้งทรงแสดงยกตัวอย่างนิทานบุคคลขึ้นมาในอดีตว่าเพียนพยายามตอบสนองความต้องการของตนด้วยอำนาจของตันหาเป็นพระเจ้าแผ่นดินในบ้านในเมืองนี้แล้ว ก็อยากจะเป็นในเมืองอื่นเป็นเมืองอื่นก็รู้สึกยังเล็กไปต้องการจะเป็นบนสวรรค์เล่าเรื่องเล่าเรื่องพระเจ้ามันทาตุราชว่าต้องการจะได้แผ่นดินในสวรรค์ชั้นดาวดึงตาสกะเทวราชก็มารับให้ไปอยู่ที่ดาวดึงเลยอยากเป็นก็เป็นไปอยู่ดาวดึงเกิดเบื่ออยากจะกลับมาเมืองมนุษย์พอกลับมาถึงปรากฏว่าคนที่ท่านรู้จักตายหมดแล้วเพราะว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งมันโลกมนุษย์ผ่านไปร้อยปี ไอ้ท่านไปอยู่ไม่กี่วันไม่มีรู้จักใครเลยกลับมาถึงก็กลายเป็นคนแก่ตามสภาพเนี่ยเป็นเป็นการสอนในเชิงรูปไป ร, รมที่เราจะจะมองในแง่ของความจริงและเราจะเห็นว่าลักษณะของตันหามันก็เป็นก็มันอย่างนี้ด้วยทีนี้ตันหาเป็นตัวนำไปสู่รบด้วยคือนำไปสู่ความเกิดในภพต่างๆอย่างที่ว่ามาแล้วก็วงั้นไอ้ความทุกข์คือชาติชารามรณะสามอย่างนี้ฮะ มันเกิดจากตัวตัณหาที่นำไปสู่พบด้วยแล้วข้อต่อไปออทรงแสดงจะเห็นว่าชุดทุกข์กับชุดสมุทัยเนี่ยคือเป็นเป็นชุดของของวัตตะหมายความว่าตราบใดที่มีตัณหาตราบนั้นก็ต้องมีทุกข์ตราบใดที่มีทุกข์แสดงว่ายังมีตัณหาอยู่สิ่งทั้งสองนี้จะจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการละกันอยู่เลยแต่ถ้าหมดทุกข์ก็แสดงว่าไม่มีตัณหา หรือถ้าแดงหรือถ้าไม่มีตัณหาก็แสดงความหมดทุกข์มันก็เป็นอีกด้านหนึ่งคือเป็นโลกุตตระเป็นชั้นที่เหนือโลกอริยสัจสีจึงเป็นการสรุปคําสอนทั้งหมดในศาสนาไว้นะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเทศตั้ง45ปีนะแต่เราดูแล้วพระพุทธวจนะทั้งหมดคืออริยสัจสีทั้งหมดไม่ได้อื่นไปจากอริยสัจสีแม้แต่ข้อเดียวกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นก็คือทุกขะษัททั้งหมด ตัวเหตุเกิดแทงพวกกิเลสทั้งมวลที่เราเรียกอะไรนะฮะบางทีเราเรียกกิเลสพันห้านหารมันก็คือพวกสมุทัยครเป็นเหตุเกิดแทงความทุกข์ทั้งหมดทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของวิวัตะคือกลุ่มที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แก่ทุกข์นิโรธแปลว่าความดับทุกข์ทุกข์นิโรธนี่ทรงอธิบายไว้เฉพาะในทีนี้นะฮะคำว่านิโรธแปลว่าความดับ ในสมัยปัจจุบันพาเอเครื่องใช้ของแขกวางอย่างใช้นิโรธเป็นภาษาธรรมันทันทับสามสี่คำนะความหมายเดียวกันหมดเลยคือหมายถึงนิพพานทั้งหมดเลยแต่ในที่นี้ทรงใช้ขายความไปห้าคำบาลีคาว่าใช้คำว่าโยตัซายวะตันหายะอาเสสะวิรากะนิโรโทคือการดับโดยไม่เหลือแห่งตัณหาเหล่านั้น หมายถึงว่าเป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามกับตัณหาในที่ใดมีตัณหาที่นั้นไม่มีนิโรธในที่ใดมีนิโรธในที่นั้นไม่มีตัณหาเพราะงั้นตัณหาดับไปในจุดใดในจุดนั้นก็คือนิโรธแต่จะเป็นการดับโดยไม่เหลือนะฮะโดยเป้าสูงสูงจริงๆแต่ในชั้นของปริยาตธรรมะที่ทรงแสดงเอาไว้ลักษณะความดับทรงใช้คาว่าวิมุตนะฮะวิมุตกับ น, น, นิพพาน ที่ที่ใช้คํากระจายลงมาข้างล่างนะฮะจะใช้คำสองคาวิมุตต์หมายถึงจิตหลุดพ้นนิพพานแปลว่าความดับนะฮะนิพพานก็นิพพานนิโรธวิมุตต์คาเดียวกันนะฮะใช้ความหมายถึงสภาพที่ดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เหมือนกันแต่ว่าวิมุตต์ทรงแบ่งไว้เป็นเป็นห้าประการเพราะงั้นในในให้าประการนี้แหละมันมีวิมุตต์ที่เราที่เรามีกันได้ ซึ่งหมายความว่านิโรธหรือนิพานเนี่ยเราก็มีกันอยู่ในชีวิตประจำวันท่านใช้คําว่าตาัางกวมมุดคือดับด้วยองค์นันนันหรือหลุดพ้นจากอนานาจกิเลส ด, ด้วยองค์นั้นๆถ้าเรียกว่านิพานเรียกว่าสันทิฏฐิกะนิพานสันทิฏฐิกังนิพานังคือนิพานที่เราเห็นกันได้ในขณะนั้นๆหมายถึงอะไรอย่าลืมว่าคําว่านิโรดนิพานวามมุดอะไรตัวไรเนี่ยฮะมันหมายถึงดับกิเลสกระดับทุกข์ดับกิเลสกระดับทุกข์ 2 อ, อย่างที่จริงอย่างเดียวคือดับกิเลสเพราะว่าทุกมันเป็นผลของของกิเลสเมื่อดับกิเลสความทุกข์ก็ดับด้วยแต่ว่าโบราณ น, นั้นท่านใช้สรุปตามแนวของอาธิตตะประยสุทธ์ว่าดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพลิงไปสองเพลิงนะฮะเพลิงกิเลสกับเพลิงทุกข์เพราะงั้นนิรโรดก็คือดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์แต่ว่าเวลาดับจริงๆดับเฉพาะเพลิงกิเลสเท่านั้นเมื่อเพลิงกิเลสดับความทุกข์ก็ดับเพราะความทุกข์มันเป็นผลเฉยๆ วิมุตต์ก็แบ่งไว้เป็นห้าระดับอนระดับแรกนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าก็คือระดับในชีวิตของเราเนะี่ยครับทเราแต่ละคนเราก็วิมุตต์กันมาพอสมควรนะอย่างตัวอย่างท่านทั้งหลายเนะี่ยฮถ้าลองยองมองมองย้อนความคิดดูว่าเกิดความคิดว่าวันเสาร์นี่จะมาควาเป็นจิตภาวนาที่นี่แต่ก็มีความคิดหนึ่งว่ามีธุระมีความจําเป็นหรือไม่ค่อยสบายวันนี้เป็นวัดไออยู่น่าจะพักสักวันน มันมีความคิดเหล่านี้แต่พอดีท่านมาได้ก็แสดงว่าดับกิเลสเหล่านี้ได้ดับกิเลส ท, ที่ขัดขวางไม่ให้ท่านทำได้นี่เราก็ดับด้วยองค์นั้นนเช่นเกิดความโกรธขึ้นมาเราดับความโกรธได้มีเยอะไปความโกรธที่เราดับได้เราไม่ อ, ออกมาเนี่ยถ้าพูดถึงว่าออกมามาหมดแล้วโลกคงจะไม่อยู่กันกันอย่างเนี้ดังนั้นไอระดับของต่ทางกวมมุติหรือวสันทิทิกลางนิบานัง น, นิพานที่เราดับเห็นได้เราดับกันมาตลอด อารมณ์แย่บางอย่างที่เกิดขึ้นภายในจิตใจแต่มันแสดงออกมาไม่ได้เพราะถ้าหากว่าแสดงออกมาแล้วมันก็มีเรื่องใหญ่โตรรเกิดเราก็หักข้ามเอาไว้เราอาจจะดับด้วยอะไรอาจจะดับด้วยความอดทนอาจจะดับด้วยความข่มใจเอาไว้อาจจะดับโดยการให้อภยัยอาจจะดับด้วยการให้เมตต์การแสดงเมตตาหรื อ, อยังดับที่ทรงแสดงไว้ด้วยองค์ธรรมนั้นๆ น, น, นะฮะเช่นว่า โกเทนชินเอกโอถังชนะความโกรธด้วยไม่โกรธอ ส, สาทุงสาทินเนกชนะความชั่วด้วยความดีชนะความสนีทด้วยการให้ชนะคนหล่อแหละด้วยคําสัตย์คําจริงอันนี้ก็เป็นนิพพานนะเป็นนิพพานเป็นนิโรธเป็นวิมุตระดับหนึ่งซึ่งก็หมายความว่าตัวนิพพานจริงๆหรือตัวนิโรตัววิมุตจริงจริงนั้นเชื่อแล้วมันมีอยู่ภายในใจที่ บาลีใช้คําว่าธาตุคือคือพุทธธาตุแล้ก็มีอยู่แล้วธาตุความรู้เนี่ยธรรมธาตุเราก็มีอยู่แล้วอัทธรรมธาตุเราก็มีอยู่แล้ ว, ลวปัญหาในทางาศาสนาอย่างที่เคยบอกในวันก่อนว่าพูดไปพูดมามันก็มีอยู่สองเรื่องนะคือเรื่องปัญนะกับภาวนาปาญะนั้นหมายความไอลละตัวเชื้อของอัธรรมธาตุที่มันมีเชื้ออยู่แล้วภาวนาก็คือเสริมสร้างเชื้อของธรรมธาตุที่มันมีอยู่แล้วเหมือนกันเดี๋ยวเพิ่มให้สูงขึ้นเท่านั้นเอง เพราะงั้นวิมุตในชั้นนี้จึงเป็นวิมุตที่อาศัยเหตุผลอาศัยการข่มใจการหักข้ามใจเนี่ยเราก็บรรู้ได้บรรลุได้ เ, เราก็เห็นได้ลองมองอีกมุมหนึ่งแล้วจะเห็นได้ชัดวันนี้มันเป็นการยุติเวรยุติภยัยภยุติความทุกข์ต่างๆช่นเกิดโกรธขึ้นมาระดับความโกรธทีนี้สมมติเราไม่ดับ การทะเลาะวิวาทการทุ่มเฉียงการใช้อาวุธข่าประหารประหารกันก็เกิดขึ้นความทุกข์ที่ยังไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นติดตามมาแต่พอเราดับจะได้เลยหยุดกระบวนการความทุกข์ทั้งแถวนี่มันหยุดนี่เรียกว่าเป็นตะถังกบิมุติหรือสันสันทิติกังนิพานนิพานที่เราเห็นได้กันจะจะในตอนนั้นนะครับเราก็ดับกันมาวั น, นตั้งหลายครั้งหลายคนถ้าไม่ดับโดยเฉพาะเช่นความเกลียดคราญการผลัดวันประกันพรุ่งความเบื่อหน่ายหรือความท้อถอย มันก็ครอบงำเราได้แต่อาศัยระดับมันได้เราก็ชนะมันมาได้ตลอดชนะบ้างแพ้บ้างนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับราบคาบคือไม่ถึงกับแพ้ราบคาบอะไรในชั้นหนึ่งเรียกว่าวิขมพนะวิมุติเป็นการหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลส ด, ด้วยด้วยกําลังของสมาธินะฮะกำลังของสมาธิจนถึงกระชานท่านเห็นว่าเวลาเราปฏิบัติสมาธิถ้าจิตเราเข้าถึงสมาธิสักระดับหนึ่งนะฮะกิเลสมันสงบไป แต่ว่าพอออกจากสมาธิกิเลสมันก็เกิดอีกพอถึงชั้นของฌานนะฮะฌาบใดที่ยังมีฌานอยู่กิเลสมันจะถูกถูกกดทับไว้ที่ท่านเรียกว่าวิคัมพนะคือกดไว้มันทรงอุปมาว่าเหมือนกับเอาศิลามาวางทับหญ้าไว้นะฮะก็แสดงว่าข้างล่างมันก็มีหญ้าแต่ว่าฌาบใดที่ศิลายังวางอยู่หญ้ามันก็ไม่โผล่ขึ้นนิมุติไอ้นิมุติในชั้นนี้จึงถาวรแล้วก็ยืนนานบางทีมันก็อยู่ได้ถึงสี่สี่ห้าปี ตราใดที่ท่านเจริญสมาธิอยู่เรื่อยเราไม่เห็นกิเลสท่านหรอกคือท่านท่านท่านไม่แสดงออกมาเพราะอะไรเพราะว่าถูกกําลังของฌานกดทับเขาไปก็มันมันมันเหมือนกับระดับของวิมุติชั้นแรกที่ว่าเนี่ยคือตรบใดที่เรายังมีเมตตาอยู่ยกตัวอย่างว่าเมตตาเนี่ยเราจะไม่โกรธซึ่งในชั้นนี้คนบางคนเนี่ยเราไม่เคยโกรธเขาเลย ไม่ว่าเขาจะเกลี้ยวกราดก็จะรุนแรงก็จะทําอะไรหาขานมามากก็ตามแต่เราไม่โกรธซึ่งก็หมายความว่าถ้าเรายังมีเมตตาต่อคนนั้นอยู่นะจะไม่เกิดโกรธขึ้นม า, าแสดงว่าชั้นนี้มันก็นานพอสมควรเหมือนกันถ้าองค์ทำเข้มแข็งพอชั้นต่อไปเรียกว่าอันนี้ยคือตัวนิโรธจริงๆตัวนิโรธจริงๆมันเริ่มมาจากคําบาลีที่ใช้คำว่าสมุทเฉตวิมุตคือหลุดพน้นด้วยการตัดขาด การมาตัดขาดมาความมาตัดกิเลสได้ขาดไอ้ขาดนั้นไอ้ขาดมากหรือขาดน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของธรรมะที่เกิดคือปริมาณขององค์ธรรมที่เราปฏิบัติได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือองค์อริยมรรคเนี่ยว่าเราจะมีมากขนาดไหนเจนถ้าหากว่าชั้นศีลสมบูรณ์คือชั้นสัมมาวาจาวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบของเราสมบูรณ์สมาธิพอสันตานประมาณปัญญาพอสันตานประมาณมันก็ตัดกิเลสได้3ามอย่าง เด็ดขาดนะตัดได้3ามอย่างเด็ดขาดก็คือตัดส ก, กายาทิฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนนะส ก, กายาทิฐิมีความหมายกว้างมากนะแต่ว่าเมื่อถึงชั้นนั้นเนื่องจากปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเข้าใจเหตุผลได้ดีแล้วก็จะตัดออกไปได้ขาดก็วิจิกิจชาความลังเลสงสยัยโดยเฉพาะก็สงสัยใน8เรื่องด้วยกันนะครับ แบบเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาแต่ว่า ท, ที่จริงมันก็ครอบคลุมโลกทั้งมวลเอาไว้นะฮะคือสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในตรายจิกขาในชีวิตอดีตในชีวิตอนาคตในทั้งอดีตทั้งอนาคตกับกฎปฏิจจสมุปบาทไอตัวปฏิจจสมุปบาทมันคลุมหมดเลยเอาแสดงว่าขาจัดความสงสัยในโลกออกไปได้แล้วก็ศีลพัฒปรามาสก็ตัดได้ขาดคือความเชื่อถือด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติต่างๆที่ทํา ม, มาจนเคยชิน แล้วก็ไอแนวความคิดที่ว่าอย่างนี้จริงอย่างนี้ไม่จริงแล้วไปไปปฏิเสธอย่างอื่นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นสําหรับคนระดับพระริยาบุคคลคือชั้นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นในชั้นนี้จึงถือว่าเป็นบิมุตที่แท้จริงนะแต่ว่าตัวสมบูรณ์จริงๆของขั้นที่ทรงแสดงนั้นก็ต้องหมายถึงว่าเป็นพระอระหันต์นะครับแล้วก็ต่อไปก็ใช้คําที่ไขเฉยๆนะฮะ ใครจะเฉว่าเป็นนิสรณวิมุตต์คือออกไปหลุดพ้นด้วยการออกไปจากอำนาจของกิเลสแล้วก็ปัปฏิปัปปปสสธิวิมุตต์คือหมายความว่าต่อไปเนี่ยมันจะเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรส ถ, ถูกต้องผุธภะนะครับสงบนอุจาวจางังดัสยันติปัณฑิตาคือไม่แสดงอาการขึ้นลงเพราะจะไม่มีการกําหนดหมายรูปกระสับแต่รูปเสียงกรสับแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สับแต่ว่ากลิ่นรสก็ะสับแต่ว่ารสเท่านั้นเองไม่ได้มีการปรุงต่อไปจากนั้น กิเลสเป็นเหตุปรุงมันหมดไปแล้วนี่ก็คือวิมุตติที่เรียกว่าเป็นเป็นวิมุตติแท้ จ, จริงนะฮะก็มีอยู่3ชั้นแต่ว่า3มชั้นให้สังเกตว่าตั ว, ต, วตัวมรรคนั้นคือคือสมุจเฉตวิมุตติมันตัดนะแล้วต่อไปก็เป็นอาการเป็นผลเท่านั้นเองเรียกว่า น, นิสาราณาวิมุตติคือออกไปปฏิปัสสติวิมุตติคือส ง, งบก็ท่านั้นเองนะเป็นเป็นการแสดงถึงว่าหลังจากได้ตัดกิเลสขาดไปแล้ว จิตก็จะออกไปจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วจะสงบต่ออารมณ์ต่างๆคือไม่ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงก็ตามจิตใจของท่านก็จะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์แบบนั้นข้อต่อไปก็ทรงใช้คําว่าจากโกจากฆะเนี่ยฮะจากฆะที่เราใช้ในที่ต่างๆเนี่ยเป็นไวิยพจน์ของนิพพานด้วยไวิยพจน์คือหมายความว่าเป็นคําที่ใช้แทนใช้แทนนี้จากโกก็คือการสลัสละกในที่นี้หมายถึงสละกกิเลส ได้โปรดเข้าใจความหมายของจาระคะนะฮะจารคะระดับหนึ่งนั้นคือสละวัตถุสละวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์เราเรียกจารคะจารคะนั้นเป็นระดับของคารวะเจธรรมหรือระดับทศพิตรราชธรรมเรียกว่าปริจารขจาระคะหนึ่งเป็นการสละอารมณ์ซึ่งหมายความมาเช่นว่าท่านท่านตั้งตั้งใจว่าจะทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะแล้วมันจะมีความรู้สึกมาขัดแยง้งมาขัดแยง้งห้ามปราม สร้างเงื่อนไขว่าอย่าทำเลยอย่างนั้นอย่างนี้มีความจําเป็นอย่างนั้นอย่างอย่างนี้แล้วในที่สุดถ้าเราไม่รู้เท่าทาันต่ออารมณ์เราเรายอมฮะเรายอมเราก็แพ้ท่านก็ให้ใช้ปัญญาเข้าวิเคราะห์อารมณ์แล้วก็ตัดสละอารมณ์นั้นออกไปอย่างในอธิฐานธรรมก็แปลว่าสละสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความจริงใจ ซึ่งหมายความว่าเราตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีความคิดแทรกซ้อนขึ้นมาห้ามปรามจะไปทําเลยอย่างนั้นอย่างนี้มีความจําเป็นต้องการจะรักษาศีลอยรักษาเลยลําบากเรามีหน้าที่การงานอย่างนั้นอย่างเี้มันจะมากระซิบใจแต่เราสละได้นี่ก็ใช้จากฆะเหมือนกันจาคฆะความหมายหนึ่งก็เป็นการสละกิเลสสละกิเลสโดยสิ้นเชิงนะฮะซึ่งหมายถึงว่าเป็นวายพจน์คือความที่ใช้แทนนิพพาน ข้ต่อไปคือปฏินิสโกแปลว่าอาทายถอนหรือคายคืนจึ่งซึ่งมันมีลักษณะเหมือนอะไรมันเหมือนกับเราไปอมอะไรไว้นะอมอะไรไว้แล้วก็เห็นว่ามันเป็นพิษแล้วขายทิ้งไปเป็นการอุปมาหเห็นไอ้สิ่งที่เราคายทิ้งไปเนี่ยมันไม่มีใครไปหยิบมากินอีกคือพูดให้มองเห็นภาพเป็นความเคลื่อนไหวได้แปลว่าคายคืน คือคือว่าหลงปล่อยให้เข้าปากแล้วเราก็ขายทิ้งไ่ไยขายทิ้งก็คือขายทิ้งไปเลยไม่ได้ไปติดใจมันอีกแล้วอันนี้มุตติความหลุดพ้นในที่นี้ทรงใช้คาว่ามุตติเฉยๆไม่ใช้คําว่าวิมุตติแต่ว่าความหมายเหมือนกันนะฮะหมายถึงว่ามุตติคือหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากอํานาจของตันหานั้นเองตันหาที่เคยให้ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากต่อจากนั้นก็ไม่ดิ้นรนทะยอทะยาน ตานหาที่ก่อให้เกิดความมีความเป็นมีมีคนบางคนเราลองดูถึงว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนเป็นพระโพธิสัตว์ที่จริงทนะ่านก็บรรเทาตันหาได้เยอะนะแต่ตอนมาถึงที่ราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสาราาชวนให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินถวายแคว้นอังคะทั้งแคว้นนะซึ่งแคว้นอังคาว่าจริงก็ใหญ่กว่าแคว้นสกัดนะแต่พระองค์เป็นก็เป็นราชาธิปตไตยเลย แต่พระองค์ก็บันเทาไ ว, ว้ผู้พระวตาหานงไปได้แยะก็ไม่เอาไม่ต้องการความเป็นเหล่านั้นอีกทีนี้เป็นความหลุดพ้นที่แท้จริงหลุดพ้นโดยโดยไม่หวนกลับมาไม่หวนคืนมาสู่อำนาจสิ่งเหล่านั้นอีกจึงใช้คําอีกคําหนึ่งว่าอนาเละยโหยแปลว่าไม่มีความอะไรไม่มีความอะไรในสิ่งนั้น ไม่ว่าจะทำอย่างไงก็ตามคือใครจะปรุงแต่งตกแต่งอย่างไงก็ตามมีคนบางคนนะฮะพวกมารมารเคยปลอมมามาทูลให้พระพุทธเจ้าออกเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงธรรมเพราะว่าเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าสามารถที่จะบรรดาลให้ภูเขาเป็นทองได้ทั้งลูกเนี่ยเพราะงั้นถ้าออกมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้แล้วก็จะช่วยโลกได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หวนกลับมาสู่อํ า, านาจแ เป็นลักษณะที่ท่านอุปมาเหมือนเหมือนก้อนเขละคือก้อนน้ำลายที่เราทุ่มชิ้งไปแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปเอามาใส่ปากอีกกิเลส ท, ที่ละแล้วก็มีลักษณะอย่างนั้นที่จะไม่หวนกลับมาอีกนี่ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวนิโรธนะครับต่อไปก็ทรงแสดงเหตุเหตุก็คืออะไรอีกก็ย้อนกลับมาที่อริยมรรคอีกทีนะึงอริยมรรคทรงแสดงสามครั้งนะครับ แสดงเฉพาะในธรรมจักในแสดง3ามครั้งแล้วก็ใช้คําเหมือนกันแสดงในตอนที่เป็นทางสายกลางตอนที่เป็นเหตุสร้างสิ่งที่เรียกว่าจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างให้ให้บังเกิดขึ้นจักขุกรณีคือทำจกักษุให้บังเกิดขึ้นยาณกรณีทำยาให้บังเกิดขึ้นอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบสัมบูรายะเป็นไปเพื่อความจัดสรุนนิบานายะเป็นไปเพื่อนิพานตอนหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็แสดงว่า ไอ้ตัวนิโรธเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะปฏิบัติตามอริมักมีองค์8ประการอริมักมีองค์8ประการก็คืออะไรฮะก็คือศีลสมาธิปัญญาคือศีลสมาธิปัญญาสมาวาจาสมากรรมตะสมาชิวะก็คือศีลความเพียรชอบตั้งสติชอบสมาตั้งใจมั่นชอบก็คือสมาธิความดำริชอบความเห็นชอบก็คือปัญญาแล้วก็จบแล้ว ไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วธรรมะทั้งหมดอย่างที่เคยบอกมาว่าจะอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปทั้งหมดได้ไม่ว่าอะไรก็ตามยากตัวอย่างเช่นเราพูดถึงอินทรีย์าประการนะฮะที่พระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมจะต้องฟอกอินทรีคนเสียก่อนปรับอินทรีย์คนเสียก่อนมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาศรัทธาคืออะไรศรัทธา ก, ก็คือตัวความของใสที่บังเกิดขึ้นภายในจิตก็เป็นอาการของสมาธิสังกัปปะ วิริยะก็คือสัมมาปยามะสติก็คือสัมมาสติสมาธิก็คือสมมาสมาธิปัญญาคือสมัมมาทิฏฐิธรรมะทั้งหมดฮะลองลองไปจับดูไม่ว่าข้อใดก็ตามเช่นสติสัมปชัญญะสติก็คือสัมมาสติสัมปชัญญะก็คือสัมมาทิฏฐิอริโอตปะก็คือสัมมาสังกัปปะแล้ไม่มีอะไรอะะเพราะงันเวลาปฏิบัติองค์อริยมรรคแล้วจึงชื่อว่าเป็นการปฏิบตัติธรรมะสมบูรณ์ปฏิบตัติธรรมะได้สมบูรณ์ทั้งหมดเลย ถ้าองค์อริยมรรคสมบูรณ์แล้วผลที่เกิดขึ้นจากความสมบูรณ์ของอริยมรรคเนี่ยมันจะทำให้เกิดเป็นนิโรธอริยศัสตว์ที่ทรงแสดงเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเรื่องที่เราต้องปฏิบัติจริงๆมันมีเฉพาะอริยมรรคเท่านั้นเองแต่ว่าในการเรียนรู้เราต้องรู้หมดทั้งสี่อย่างในเชิงปริยัตินะฮะ ในเชิงปริยัติเราต้องเรียนรู้หมดทั้ง4อย่างแต่เชิงปฏิบัติแล้วปฏิบัติเฉพาะตัวอริมักเทนั้นเนองข้อนี้เราทรงอุปมาไวไ้ใบมากนะฮะแต่อุปมาที่เราเห็นได้ง่ายคือว่าภาพมันไม่ไม่ต้องไปจินตนาการมากจริงๆก็คือทุกข์ก็มันเหมือนอาการของโรคสมุทัยก็เหมือนสมุทรฐานโรคนิโรธเหมือนความหายจากโรคมครักก็เหมือนกรรมวิธีในการเยียวยารักษา ซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นได้ชัดว่าหมอเวลาตรวจโรคนั้นก็ต้องตรวจให้รู้หมดรู้ดูที่อาการมันก่อนแล้วก็สืบหาไปที่ตัวสมุทรไทยไอตัวตัวสมุทฐานมันแล้วก็ต่อไปก็คือเป้าหมายได้แก่นิโรธ ค, คือความหายจากโรคจากนั้นก็วิธีการหลักการในการเยียวยารักษาก็คือมัดสูตรของอริยศาสตร์จึงกลายเป็นสูตรที่ในปัจจุบันนี้เขามาใช้กันอยู่มากนะฮะ ตัวทุกข์ก็คืออะไรตัวปัญหาตัวสมุทัยก็คือมาจากไหนตัวนิโรดก็คือเพื่ออะไรตัวมรรคก็คือโดยวิธีการยังไงจึงจะเห็นว่าในการแก้ปัญหาถ้าเราเดินตามสูตรของอริยศาสตร์แล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเราจะแก้ได้ทั้งหมดเลยปัญหาเนี่ยเช่นสมมติว่าที่บ้านเนี่ยเกิดทะเลาะ ก, กัน อะไรทะเลาะกมาจากไหนอย่าลืมว่าใครทะเลาะกันสาเหตุต้องอยู่ที่คนนั้นนะเวลาสืบสาวสาเหตุไม่ไปสืบที่อื่นให้สังเกตวิธีการของาศาสนาเหตุเกิดที่ไหนผลปรากฏที่ไหนต้องสืบไปจับตรงนั้นไม่ใช่ไปเอาไปจากนอกฟ้าป่าหิมพานเอาจากเทวดาดวงดาวอะไรอะไรไม่เกี่ยงต้องดูตรงนั้นเอง อย่างที่ทร ง, ทรงแสดงเอาไว้ว่าประโยชน์มันเป็นเรื่องของประโยชน์ดวงดาวในท้องฟ้าจะทำอะไรได้ดวงดาวก็คือดวงดาว ก, ก็อยู่ของเขาเป็นเรื่องจักรราศีของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราในการแก้ปัญหาสมมติว่าทะเลาะ ก, กันอย่างที่ว่าเราก็หาที่เราส ม, มุตฐานจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งการหานั้นจะต้องมีความเป็นธรรมพอสมควรนะ เพราะว่าโดยพื้นใจคนเราก็มักจะเข้าข้างตัวเองบางทีไม่ยอมรับถ้าไม่ยอมรับมันก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้ายอมรับถึงไอ้มูลกรณีที่นาไปสู่การทะเลาะได้มันก็แก้ได้โดยอาศัยหลักการวิธีการตามแนวอรอยิยมรรคส่วนนิโรธเองก็คือเพื่ออะไรมันเป็นผลเฉยเนะเป็นผลเฉยเป็นคล้ายๆกับเป้าหมายที่เราต้องการจะเดินทางจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่ง ตัวการสําคัญจริงๆก็คือเดินทางนะจะเดินทางยังไงจึงถึงจุดหมายเมื่อถึงเมื่อก็คือถึงกันนั้นเองนิโรธเป็นผลที่เกิดขึ้นมาแต่ว่าการปฏิบัติในอริยมรรคนั้นเป็นตัวการหรือเป็นหลักการวิธีการที่จะนําไปสู่นิโรธพระพุทธเจ้าทรงสแสดงที่เริ่มโดยสมาธิจิตอย่างที่เคยกล่าวในวันก่อนะนสมาธิจิตในชั้นเริ่มต้นไม่ได้เต็มที่อะไรหรอก คือชั้นธรรมดาสามัญที่สามารถรู้ใน4เรื่องนะฮะรู้ว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ควรเสพไม่ควรเสพอย่างเงี้ยคือสามารถแยกได้ต่อไปเราก็กําหนดทิศทางได้อริยมรรจึงเป็นตัวหลักการที่จะต้องปฏิบัติแต่ในชั้นของการปฏิบัติมันก็มีอยู่อย่าลืมว่าคือใจสิกขานะฮะใจสิกขามันก็ที่ทําให้พระญาติบุคคลแบ่งเป็นันสี่ชั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอริยมรรจึงมันสมบูรณ์ไม่เหมือนกัน อริยมรรคชั้นแรกศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอจมพะมานพอประมาณจะทำให้เป็นประสวดาบันกับพระสะกิตาคามีนะชั้นพระนาคามีนี่ศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ก็แสดงว่าองค์มรรคเประการเนี่ยสมบูรณ์คือว่าจะชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบความพยายามชอบตั้งสติ ช, ชอบตั้งใจมั่นชอบเจดอย่างเนี่ยสมบูรณ์ สมาธิิกับสมาสังกัปปะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะฮะเพราะว่าอริยสัจสี่ต้องสมบูรณ์ก็ทําให้เป็นพระอนาคามีพอถึงพระอาราหันเนี่ยเป็นสมบูรณ์หมดเลยเพราะงั้นพระโสดพระอริยบุคคลทั้งหมดเนี่ยต้องรู้อริยสัจ4ีทั้งหมดแต่เพราะอะไรเพราะว่าปริมาณของธรรมะมีความสมบูรณ์เหลื่อมล้ํากันโจก็คล้ายๆกับเอ๊ร้อยจุดถ้าเราจะอุปมาทุกเหมือนกับสิ่งที่อยู่ในที่มืดนะฮะ สมุทัยเหมือนความมืดนิโรธเหมือนแสงสว่างไอ้มาร์ก็คือการเปิดเปิดฝ่ายขึ้นหรือจุดฝ่ายขึ้นคล้ายๆกับว่าห้องเนี้มันมืดแต่เราก็จุดเทียนขึ้นจุดเทียนปริมาณของเทียนมันส่องแสงสว่างขนาดไหนมันก็ในในจุดนั้นจะไม่มีความมืดจู่แต่จุดอื่นมันมืดเพราะอะไรเพราะว่าปริมาณแสงสว่างมันน้อยแล้วก็จุดไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็สว่างหมดเพระสว่างหมดไอ้ความมืดมันก็หมดไปเอง แต่นั่นอุปมาข้อหนึ่ง อ, อีกในยะหนึ่งที่เห็นได้ง่ายก็คือว่าทุกเหมือนสิ่งที่อยู่ในที่มืดสมุทายนั้นเหมือนกับความมืดนิโรธเหมือนแสงสว่างมรรคเหมือนกับการเปิดสวิตไฟตัวการสําคัญก็คือการเปิดสวิตไฟแต่อย่าลืมว่ากว่าจะมาเปิดเป็นแสงสว่างได้นั้นจะต้องมีเครื่องคราวเข้ามาประกอบตั้งมากมายนะฮะจึงจะกลายเป็นแสงสว่างได้แต่หน้าที่ของคนนั้นก็คือการสร้างอุปกรณ์แล้วก็เปิดส่วนการาากระจัดความมืดเป็นเรื่องของไฟ ไปจะทำหน้าที่กระจัดความมืดไปเองนี่ก็คือหลักอริยสัจ ท, ที่ทรงสแสดงแก่พระภิกษุปัญจวัคคีย์ในในคราวนั้นว่าสิ่งที่พระองค์จัดสรุ้ก็คือจัดสรุ้อริยสัจสีพอจัดสรุ้อริยสัจสีแล้วอะไรมันเกิดขึ้นก็ย้อนไปข้างหน้าอีกทีท่านเห็นว่าจักขุกรณีดวงตาต่างๆทั้ ง, ง5อย่างก็เกิดขึ้นญาณกรณีตัวยานก็เกิดขึ้น อภิญยญาความรู้ยิ่งก็เกิดขึ้นสัมโบธาญาความจัตสรู้ก็เกิดขึ้นนิพานยะนิพานก็บังเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ทั้งหมดที่จริงห้าอย่างนี้ก็คืออะไรฮะก็คือตัวนิโรธตัวนิโรธซึ่งในอริยสัจทรงไขเอาเป็นห้าอย่างเหมกันมีลักษณะห้าอย่างเพราะว่าภาษานิโรธเนี่ยเป็นเป็นภาษาที่พูดยากเป็นภาษาที่อธิบายได้ยาก เราจะเห็นว่าธรรมะที่อธิบายยากที่สุดคือ น, นิพพานพระพุทธเจ้าเองก็อธิบายน้อยเพราะตัวนิพพานนั้นจะต้องอาศัยอะไรสันทิทิโก้คือผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองกับปัจจตังเวดิตะโบวินยูหิอันวินยูชนจะต้องรู้เฉพาะตนด้วยผ่านการปฏิบัติขั้นตอนมันอธิบายไม่ได้คล้ายๆเราจะอธิบายเปี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยอธิบายยังไงมันก็สู้ชิม ม, ไม่ได้ ก็เป็นเรื่องที่จะต้องชิมหรือจะอธิบายสีให้คนตาบอดฟังเนี้ยอธิบายไม่ได้เพราะไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบข้อแตกต่างอะไรได้เลยคนตาบอดก็มีเฉพาะสีดําแต่นั้นเด็สีอื่นแกไม่เห็นเราอธิบายให้ฟังไม่ได้แต่ว่าวันใดที่รักษาตาแกหายบอดแกก็จะเห็นเองนี่ก็เป็นตอนหนึ่งของธรรมจักรกับวัตถุนัสูตรนะฮะสูตรนี้ก็เห็นจะต้องว่าถึงสามครั้งแต่สมมับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วง